ถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักความโศกจกมีมาแต่ไหนเนี่ยนะก็ภัยก็เหมือนกันนะสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายแลเนี่นะเกิดจากความรักหรือเกิดจากสิ่งที่เรารักนั่นแหละถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีสิ่งที่เรารักนะนะความเศร้าความโศกภัทยทั้งหลายจะมีมาจากไหนอนาชาติภัยชราภัยมรณะภัยเป็นต้นเนี่ยมีไม่ได้หรอก น, นะนะ ก็เนื่องจากนี่แหละจากความพอใจของเราเนี่ยนะเกิดจากสิ่งนั้นมันน่าพอใจนะก็บอกอ้าวที่เขาพอใจก็สิ่งนั้นมันน่าพอใจอะ่ะนะเพราะสิ่งนั้นน่าพอใจอะ่ะเราจึงพอใจนะแต่พูดง่ายๆก็คือเพราะสวยนี่แหละเราจึงชอบที่เราชอบกว่าเพราะสวยอ่ะนะเพราะเพราะนั่นแหละเพราะเสียงเพราะนั่นแหละเราจึงชอบอที่เราชอบกว่าเพราะเสียงเพราะนะมันมีเหตุผลจนชอบจนได้ใช่ไหมที่ติดก็เพราะว่ามันน่าติดที่น่าที่ เพราะมันหน้าติดเลยจึงติดเหมือนกันแต่แ ต, แต่ที่สุดว่าถามว่าติดนี่นะอะไรเกิดขึ้นตันหาก็เกิดขึ้นใช่ไหมตันหาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นมันทําอะไรมันเชื่อมกรรมที่ทําแล้วให้มีผลทั้งหมดอันนะัถ้าถ้าพอใจในเราพอใจแค่อยู่แค่เนี้ยเชื่อไหมว่านั่นแหละคือการไปดึงกรรมในอดีตเนี่ยมาให้ผลทั้งหมดมันเชื่อมกรรมและให้มีผลต่อไป เชื่อมพบให้มีพบต่อไปเชื่อมเกิดในคันให้ไปเกิดในครันต่อไปมานี้มาเกิดในคันนะครับก็ไปเกิดในครันต่อไปหรือเชื่อมจากการเกิดในคันเนี่ยให้ไปเกิดในไข่หรือก็เชื่อมจากเกิดในคันให้ไปเกิดในสิ่งสกปรกไหมเชื่อมแต่ที่เราทั้งหลายเนี่ยเกิดในคันเชื่อมให้ไปเกิดโนร์โอปาติกะแบบนรกเปรตก็ได้เชื่อมให้ไปเกิดเป็นเดรชานก็ได้เชื่อมให้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้เชื่อมให้ไปเกิดเป็น พรมก็ได้เนี่ยอาศัยตันหาใช่ไหมแต่ตันหามันพาเชื่อมไว้อย่างเดียวนะเชื่อมไว้ในภพกําเนิดคติวิญญาณติสติสตาวาตแต่ว่าไอตัวนําเกิดจริงๆคือกรรมนี่ยเราก็มาสอบสวนดูว่าเออตันหาเนี่ยเราก็จำนนแล้วนะละไม่ได้หรอกนะจอมจํานนกันซะส่วนมากอนะเมื่อจํานนก็มาดูกรรมเอานะว่าสมควรจะเกิดที่ไหนล่ะไม่รู้ว่าถ้ายังไม่ละตันหาก็ถามว่าสมควรจะเกิดที่ไหนเห็นะ ก็บอกว่าโดยรวมๆแล้วชาติตระกูลนี่ถือทางพ่อใช่ไหมนะว่าจะตระกูลสูงตระกูลต่ำนี่โดยทั่วๆไปก็ถือทางพ่อเป็นเกณฑ์แต่การเกิดนี่ถือเอาทางแม่ตันหาเน้นำเกิดอย่างเดียวแต่ว่าเกิดในภพใดเนี่ยกรรมเป็นตัวจักแจงนะถ้าผู้ที่มีสุจริตกรรมทางกายทางวาจาทางใจไว้ดีก็สุขคติก็หวังได้แต่ถ้าทุจริตทางกายวาจาล่ะ มาอยู่เนี่ยเสียงอะไรบงไังบ่ายเสียงจักจันจิ้งเรีเรรายเสียงสัตว์เดรัจฉานแมลงโอ้ยตัวย่งย่งตัวยาวยาวเนมีให้เห็นหมดเลยนะแสดงว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ไม่ใช่บุญนะนะกรรมที่ไม่ใช่บุญแต่ขณะเดียวกันการวินิจฉัยถึงกรรมที่จะให้ผลนําเกิดในสถานที่ต่างๆก็ดูจากเจตสิกที่เป็นกุศลและอกุศลแวดล้อมนะนะเจตสิกที่เป็นกุศลอกุศลแวดล้อมถ้า ริษยาเจตสิกเ ก, เกิดนําเกิดเนี่ยอะไรจะเกิดริษยามากตระกูลต่ำเนี่ยนะริษยามากเนี่ยเออก็เรียกว่าไม่มีเดชไม่มีอํานาจอะไรนะไม่มีคนนับหน้าถือตาถ้าริษยานําหน้าถ้ามานะมากตระกูลต่ําอำตระกูลต่ําถ้าโทสะมากรูปไม่หลอ่อรูปไม่สวยเนี่ยนะตรณีมากยากจนยากจนเอาเนี่เนี่ย ถ้าทีหน้ามิท่ามากนําเกิด <God. S 1> ก็เดี๋วโหยเรียกว่าแมวเซาเลยนะนิ่งก็เป็นหลับละขยับก็หากินต่อนะนะนะตเนี่ยนะตะกูลเนี่ยถ้าโทสะเป็นบริวารไปเบียดเบียนสัตว์มากพบหน้าก็เขามีอะไรนะคนอื่นเขาดีหมดเราเป็นป่วยทุกเรื่องเลนะคิดถึงหัวก็ปวดหัวคิดถึงฟันก็ปวดฟันคิดถึงตาก็ปวดตาคิดถึงแขนก็ปวดแขนคิดถึงขาก็ปวดขาคิดถึงเข่าก็ปวดเขา่าคิดถึงท้องก็ปวดท้อง น, น, นะนะคิดถึงหัวใจก็เป็นโรคหัวใจคิดตรงไหนมันก็โรคทั้งหมดนะ น, นะหรือบางทีคิดถึงตาเขามีตาแต่เราบอดอย่างเงี้ยเราหนวกเราพิการโดยประการต่างๆเนี่ยนะปากแหว่งเพยายดานโวเนี่ยโอ้ตันหามพาเชื่อมให้เกิดได้หมดอนะ่ะแต่ว่าที่เกิดนะสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํากุ ศ, ศรรลกรรมไว้ดีก็เกิดดีแต่เกิดดีนะเช่นมาเป็นมนุษย์เนี่ยไปพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว่ะ สมควได้สมปราถนาก็ยิ้มแย่แต่เมื่อสิ่งนั้นเสียไปเป็นยังไงก็เดือดร้อนเนี่ยนะก็ขนาดเป็นมนุษย์ยังทุกข์ร้อนขนาดเนี่ยนะจะกล่าวไปยายถึงต่ําพบที่ต่ำกว่านี้เทวดาก็เดือดร้อนนะเทวดานี่เขาจะเสียใจมากขึ้นเมื่อเขารู้ว่าเขาจะตายเนี่ยนะไอตอนที่อยู่ดีมีสุขก็ไม่เท่าไหรหรอกเนี่ยนะก็สบายมีความสุขไปแต่ถ้ารู้ว่าจะหมดบุญจากเทวดาล่ะดินเร้าๆแล้วคนนี้นะแต่เทวดาบางพวกที่มีบุญหน่อยนี่เขาจะรู้ว่าเขาจะเกิดที่ไหน ถามว่าถ้ารู้ว่าเกิดในนรกนี่เป็นไรถ้ามีเงืองซจะผุดเม็ดเท่าไหนดีนี่เม็ดเม็ดเข้าโพดเลยนะผุดเต็มตัวไปหมดเลยนะโอ้ยนรกอะ่ะเขาบอกว่ามีข้าราชการผู้ใหญ่หนึ่งก็ถูกปปปเนี่ยนะตรวจโอ้โหก็เดื อ, รอดร้อนมากอะเที่ยวไปตามวัดต่างๆเพื่อจะให้หลวงพ่อรดน้ำมนต์ให้นี่ไงเออว่ากัน เนี่ยนะก็แสดงว่าพอจะเสียจะศูนยจะเสียก็เดือดร้อนอนะนะอันนี้คือปกติของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจะศูญย์เสียลาบศูญย์เสียยศสูญเสียสาคสําสรรเสริญจะศูญเสียความสุขไปนี่ก็ทุกร้อนกันเร่าร้อนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโลกธรรมจริงจริงอ่ะนะมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศมีนินทาก็จะได้รับการสรรเสริญเนี่ยนะ แต่ว่าขณะใดาที่ได้ยศได้ลาบได้รับคําสรรเสริญในความสุขโดยมากอะไรเกิดสมุทัยสัตว์ก็เกิดใช่ไหมถ้าตอนที่เสื่อมลาบเสื่อมยศอะอะไรเกิดทุกขสัตว์ก็เกิดขึ้นเนี่ยนะฉันสองคาถาที่กล่าวไปก็เน้นทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เดี๋ยวคาถาต่อไปจะกล่าวถึงมรรสัตว์หรือโดยเฉพาะนิโรสัตว์เนี่ยนะ ที่กล่าวไปในสองสัจจะแล้วนะคือทุกขสัจกับสมุทยัยสัจเนี่ย น, นะอัศาธาคาถาแรกที่บอกว่ า, เ, าเมื่อปรารถนาการแล้วได้สมหวังก็อิ่มใจดีใจอันนี้เป็นประกาศสมุทยัยสัจทีนี้ถ้าหากว่าการที่ตัวเองปรารถนามุ่งหวังนั้นนะเสียหายสูญหายไปอันนั้นก็เสียใจอันนี้เป็นทุกขสัจเด็ดนี่มากล่าวถึง มคสัตต์กับนิโรสัตว์เน้นมคสัตต์แต่ว่า น, นิสระณะการสลัดออกจากกรามว่าผู้ใดย่อมเว้นขาดจากกรามทั้งหลายเหมือนบุคคลเว้นขาดหัวงูด้วยเท้าผู้นั้นเป็นผู้มีสติย่อมล่วงพ้นตันหาอันชื่อว่าวิสัติกานี้ในโลกเสียได้แเราเว้นขาดกรามเนี่ยละกรามเว้นกรามเนี่ยเหมือนกับเห็นว่ากรามนี่เหมือนหัวงูงเหมกันนะ เว้นได้อย่างนั้นน่ะไม่ค้องได้ขนาดนั้นก็พ้นตัณหาแต่ว่าเว้นด้วยสตินะผู้ที่มีสติเนี่ยเว้นอย่างนี้ได้ก็จะถึงความพ้นทุกข์คำว่าเว้นขาดเป็นชื่อของสมถะวิปัสสนาและอริยมรรคเนี่ยนะมีสติก็คือหมายถึงอริยมรรคนั่นเองล่วงพ้นตัณหาก็หมายเน้นที่นิโรศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เว้นขาดจากกราร เป็นผู้มีสติล่วงพ้นตันหาอย่างนี้แหละเรียกว่านิสรณะการสลัดออกจากตามซึ่งภาษาริบุตรนิเทศว่าคำว่าผู้ใดเนี่ยนะคือผู้เช่นใดผู้ประกอบอย่างใดผู้ตั้งไว้อย่างใดผู้มีประการอย่างใดผู้ถึงฐานะอย่างใดผู้ประกอบด้วยธรรมะใดจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรครหัดบัปรปชิตเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยนะ คือที่บอกว่าผู้ใดเว้นขาดกามเนี่ยนะผู้ใดใครก็ได้อะถ้าปรารถนาถึงความพ้นทุกข์นะกามก็แบ่งเป็นสองใช่ไหมอย่างที่กล่าวไปคือวัตถุ ก, กามกับกิเลสกามวัตถุ ก, กามก็คืออารมณ์ที่น่าปรารถนาทุกชนิดเรียกว่าวัตถุ ก, กามตัวตันหาที่พอใจทั้งหลายพวกนี้เป็นกิเลสกามเพราะโดยกิจวัตถุ ก, กามเนี่ยนะโดยกิจนี่ทาไง ปริญญากิจเนี่ยนะทำยาตะปริญญาตีรณปริญญาส่วนกิเลสการมนั้นปหานะปริญญานนเนี่ยนะคือถ้าโดยโดยปริญญาสามนะวัตถุกรรมเป็นโดยยาตะปริญญากับตีรณปริญญาส่วนกิเลสการมนั้นปหานะปริญญาคือละวิปลาสในวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองคำว่าเว้นขาดจากกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างนนเนี่ยนะ คือเว้นโดยการข่มไว้กับเว้นโดยการตัดขาดคำว่าเว้นโดยการข่มในที่นี้เนี่ยหมายถึงข่มด้วยส ม, มถะและวิปัสสนาเนี่ยนะนี่ก็มาดูการข่มด้วยวิปัสสนาก่อนการข่มด้วยวิปัสสนาก็คือผู้เห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยโครงกระดูกเพราะอัตถะว่าเป็นของมีความยินดีน้อยย่อมเว้นขาดจากกามทั้งหลายอย่างเงี้ยโดยการข่มไว้ นะคือกามเนี่ยนะมันเหมือนกับโครงกระดูกที่เหมือนกับโครงกระดูกเนี่ยเรานึกถึงมีคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดเขาจะกาลังชำแหละเนื้ออยู่เนี่ยนะมีสุนัขพร้อมโซตัวหนึ่งอ่ะมันหิวมาวิ่งใกล้ๆแถวนั้นอ่ะนะทำให้มันกินอะไรเนี่ยมันจะต้องขโมยเนื้อแนะ่ คนฆ่าโคผู้ฉลาดก็เลยชําแหละเอากระดูกชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปคลุกกระเลือดแล้วก็โยนให้มั น, นเนี่ยมันก็หันไปแทะกระดูกอยู่นั่นแหละเนียชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่เพลิดเพลินติดข้องในวัตถุกรามทั้งหลายก็เหมือนกันไปแทะเนี่ยนะมีใครแทะกับอะไรอิ่มบ้างเอาไม่มีอิ่มสักอย่างนะแทะบ้านเนี่ยอิ่มไหมนอนอยู่กับบ้านเนี่ยทยังไงจะได้อิ่มจริงๆอ่ะไม่อิ่ม ยกับวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะที่น่าพอใจทั้งหลายเนี่ยเปรียบเหมือนโครงกระดูกทั้งนั้นไม่ได้ไปแทะอิ่มอะไรจริงๆหรอกดูทีวีจนอิ่มเนี่ยใครดูอิ่มบ้างเอาตอนแรกก็ดีใจช่ไเปิดทับน่ยนะเปิดตายชักเมือ่อยตาล้าตาแล้วมันก็ไม่ได้อิ่มอะไรจริงๆอะไรนะดูหนังฟังเพลงก็เหมือนกันเที่ยวไปที่ไหนก็เหมือนกันเนี่ยนะฉะนั้นความสุขของที่ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเหล่านั้นเนี่ยน้อยแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมีมากกว่าเดือดร้อนมากกว่าเพราะสิ่งนั้นนั้นนะ สิ่งใดที่เราดีใจพอใจเนี่ยสแสวงหาสิ่งนั้นถามว่าเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนจึงจะได้สิ่งนั้นไอ้กว่าจะได้ก่อนนะแล้วรักษาอีกล่ะรักษาสิ่งนั้นดูแลสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นมีร่างกายเนยีเราก็ดีใจกันเต็มที่ใช่ไหมไอ้ทุกร้อนเพราะบริหารร่างกายนะที่เรามีร่างกายจริงๆเรามีความสุขหน่อยเดียวนะมีร่างกายเลยนะมีความสุขไม่มากนักหรอก แต่ความทุกข์ที่มีเนี่ยนะในการบริหารกายเนี่ยมีมากกว่าใช่ไหมความทุกข์ในการบริหารร่างกายเนี่ยตั้งแต่เช้าจดเย็นทําทุกอย่างเพื่อจะบริหารกายเนี่ยแหละดูแลกายเนี่ยหากับเพลิงกระหารให้กายานะทำเพื่ออาหารใช่ไหมหาผัสสะอาหารให้กายอะ่ะเช่นหาที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มให้มันะนะหามโนสันเจตนาอาหารหาเรื่องให้มันคิดมันพูดมันทําหรือหาวิญญาณอาหารรับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยทั้น ที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็สแสวงหาอาหารอยู่อย่างนี้เนี่ยนะความสุขที่เกิดจากสิ่งเราเนี่ยน้อยมากอาหารก็อร่อยตรงผ่านที่ปลายลิ้นอยู่หน่อยเดียวใช่กว่าจะมาเป็นอาหารเนี่ยทุกขนาดไหนกลืนเข้าไปในท้องแล้วนะหลังจากนั้นก็เดือดร้อนอีกละเนี่ยมีอะไรชาบอยู่หน่อยเดียวตรงตรงแผ่นลิ้นเท่านั้นแ่ะน พอทวาโรโภทะภาคก็เหมือนกันตอนอิ่มพอดีก็มีความสุขนะหิวเดี๋ยวก็พร่องเดี๋ยวก็เกินเดี๋ยวก็พร่อ ง, เ ด, องเดี๋ยวก็เกินก็เดือดร้อนเน่ยนะมันผู้ที่พิจารณาว่าวัตถุทั้งหลายอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่น่ายินดีเนี่ยนะก็ไม่ปฏิเสธว่ามันไม่อร่อยแต่มันอร่อยน้อยเหมือนอะไรเหมือนโครงกระดูกเนี่ยนะที่เราถ้าเราไปติดเราไปเพลิดเพลินไปติดใจในวัตถุนั้นเนี่ยนะไม่ต่างอะไรจากสุนัขที่ไปแทะโครงกระดูกเนี่ยนะ ทนี้อันนี้อย่างหนึ่งนะการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะว่าวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยอร่อยน้อยหรือมีความน่ายินดีน้อยเหมือนโครงกระดูกนี่คือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะอัตตะขาจูลนิเทศเอ่ออัตตะถามหานิเทศท่านบอกว่าการพิจารณาอย่างนี้คือการเจริญวิปัสส น, น, นาเนี่ยนะการวิปัสสนาเนี่ยเป็นการที่มีปัญญาเข้าไปพิจารณาถึงทุกถึงโทษถึงภัยของวัตถุกรรมถึงจะมีความอริยอร่อยอยู่ในนั้นแต่ว่ามันน้อยมาก ถึงจะน่ายินดีก็ยินดีน้อยมากเปลูกดอกไม้งามๆสวนดอกไม้เนี่ยในการดูแลการรดการพรวนดินเนี่ยลาบากขนาดไหนใช่ไหมก็ดูดอกไม้อยู่หน่อยเดียวนะที่เหลือก็นเหน็ดเหนื่อยทั้งนัน้นเนไ่มผู้ที่พิจารณาเห็นอยู่ว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเพราะอัตถว่าเป็นของไม่สาธารณ ะ, อะขออภยัยเป็นของสาธารณะแก่ชนหมู่มากย่อมเว้นขาดกามทั้งหลายโดยการข่มไว คือเห็นว่าไอ้ไอไอไอวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะที่น่ายินดีเนี่ยเหมือนกับชิ้นเนื้อเหมือนว่ามีนกอยู่ตัวหนึ่งมันไปโฉบไปขโมยนะสมมติว่าอีกาตัวหนึ่งไปขโมยได้ชิ้นเนื้อก้อนโตเลยก่อนเท่ากวาปั้นอย่างเงี้ยนะก็โฉบไปนะไอ้นกตัวอื่นมาบอกแบ่งกินมั่งสิไม่ได้ฉันเป็นคนไปหามานะไม่ให้หรอตัวอื่นก็ตี๊ยสร่วงเลยนะบินไปเนี่ยนะตัวเองมัวแต่คาบเนื้อมไปตีเขาไม่ได้ใช่ไหมมัวแต่คาบเนื้อ ข้างนอกก็ตีก็ร่วงกันนะเนื้อก็ตกลงมาไอตัวใหม่ที่ไอตัวนี้ก็ไอที่ข้าวไว้นะก็สบักสบอมก็ขายออกไปไอตัวใหม่เอาอีกนยะก็มาข้ามมันมันก็ถูกตีจนสบักสบอมเนี่ยไปอย่างนี้นะวัตถุกรรมในโลกนี้ก็เหมือนกันนะใครที่มีวัตถุกรรมมากใช่ไหมกว่าจะหามาก็ไปตีผู้อื่นจนสบักสบอมอ่ะนะตัวเองก็มาครองไว้นี่ยพอตัวเองครองไว้ก็ถูกคนอื่นก็ตีจนสบักสบอมก็ต้องขายอันนั้นออกไปเนี่ยะจริงนะ ที่ผู้การเราวอะที่ดินเนี่ยเปลี่ยนมือมากี่เจ้าแล้วนะโฉะนดเนี่ยนะโอ้ยปั๊มประวัติมาไม่รู้ผ่านมากี่เจ้าต่อกี่เจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรนะมันมันคนที่มีมันต้องขายออกไปนะขายเจ้าใหม่ก็มารับต่อแล้วก็ขายออกไปเจ้าใหม่รับต่อก็อยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะถ้าไม่ยอมขายอะไรเกิดขึ้นก็ถูกตีจนสวักสวาอมันะในที่สุดก็ต้องขายอะขายด้วยอะไรมีมีตายจากไหมล่ะ ก็ตายจากไปจนได้นั่นแหละนสรุปแล้วต้องขายอีกนะเจ้าม่ายก็มาเอาไปอีกมีแล้วก็เดือดร้อนอีกเนี่ย